สักเท่าไรสิ่งหนึ่งที่ยึดใจเราอยู่ผูกไว้ไม่ให้เราห่างกันคือความห่วงใยที่เธอให้ฉันคำพูดเหล่านั้นที่เธอคอยส่งมา แต่สิ่งสิ่งนั้นบอกท่านใหร้ เปิดอ่านข้อความเก่าถจงมีความหมายจากวันนั้นคือความห่วงใยที่เธอให้ฉันขอความเหล่านั้นที่เธอคอยส่ง บอกฉันให บอกฉันให้รู้ตลอดมาฉันและเธอจะเดินไปด้วยกันไม่ว่า